ทนผู้ฟังที่รักคะรายการของเราถือว่าเรื่องของพุทธวจนะนั้นต้องพยายามที่จะให้ท่านได้มีโอกาสเข้าถึงกันมากที่สุดและดิฉันเชื่อ ว, ว่าผู้ที่ได้รู้จักแล้วก็บอกตัวเองทุกๆคนว่าต้องพยายามที่จะเข้าถึงให้ได้มากที่สุดเพราะการสังสมสุดตาก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่มีความรู้สึกว่าโลกนี้มันมีความทุกข์และเมื่อมีความรู้ความรู้ที่ถูกต้อง ก็จะได้นำออกไปปฏิบัติกันให้ถูกตอนนี้เราก็มาพบกับการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะกับพระภิบูรณ์อภิปุโนว่าปาดอนแห่งโสภิฏดอนทานค่ะในัรดกานค่ะท่านคะญาเจริญพรค่ะก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะนี่เพลแป๊บเดียวค่ะวันนี้มันสุกแล้วค่ะท่านคะมันสุกแล้วค่ะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องพุทธประวัติเนี่ยเรามาต้องการจะพูดถึงความเรื่องของพุทธวัจนะซะหน่อยหนึ่งก่อน ว่าที่รายการของเราเนี่ยใช้สิ่งที่เป็นพุทธวัฒนะเนี่ยเพราะว่าคําสอนของพรุทธเจ้าเนี่ยเราได้พบว่าเป็นคําสอนที่ถูกต้องตรงจริงตรงจริงเนี่ยเราเพบว่าเราก็ได้เขาเรียกว่า cross check นะมีการตรวจสอบมีการเทียบเคียงกับหมวดสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ว่าโอ้คาพุทธเจ้านี่เนียบมากนะหาที่ผิดไม่ได้เลยแล้วก็ยังเป็นคําสอนที่ถูกต้องตรงจริง เราเอามาใช้แล้วก็ได้เห็นผลอย่างนั้นจึงคิดว่าเรื่องเกี่ยวกับพุทธวจนะเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราต้องมาย้ํามาบอกมาพูดคุยอยู่ตลอดเวลาทีนี้ว่าในการพูดถึงพุทธวจนะคุณยมติวถ้าผมว่าอาตมาเป็นพระสงฆ์ถูกไหมถ้าอาตมาจะอ้วกออกมาทุกคําให้เหมือนเป๊ะของพระเจ้าเลยนะอาตมาจะเป็นพระพุทธเจ้าไปแล้วซึ่งอาตมามเป็นไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะเราเป็นอยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้าองค์นี้แต่ถ้าเราจะมาเป็นพระพุทธเจ้าเองคุณต้องไปโน่นไปสมัยอื่น ที่ไม่มีสมณโคดมอยู่หรือไม่มีพระเจ้าองค์อื่นอยู่เพราะฉะนั้นไอเราจะพูดอะไรเราก็ต้องพูดตามสมณโคดมแต่ถ้าเราพูดเหมือนเป๊ะกับสมณโคดมนะโอ๊ยทําไม่ได้หรอกเพราะว่าเราความสามารถไม่พอใช่ไหมเพราะนั้นความที่เราสามมีความสามารถเท่าไหร่เราก็ใช้เท่านั้นเพราะนั้นการกําหนดบทเพียนชนะเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ความสามารถของแต่ละท่านแต่ละคนใช่ไหมอย่างสาวกในสมัยพุทธกาลอย่างท่านพระมหากระจายนี้อะไรเงี้ยแม้กําหนดบทเพียนชนะได้เฉียบมาก แล้วก็ยังมีท่านอื่นๆอีกนะที่กําหนดบทเพี่ยนชนะได้นะซึ่งก็จะมีหลายท่านที่ไม่ได้สอนเหมือนกันก็มีอย่างพระอ ะ, อะไรล่ะอัญญโกธัญญะอย่างเงี้ยที่เป็นสาวกองค์แรกเนี่ยพอปรากฏว่าพอขอบวชใช่ไหมก็ไปอยู่กับสามเณรมีสามเณรคอยรับใช้อยู่คนเดียวอยู่ตามป่าตามเขาโดยไม่ยุ่งกับใครไม่สอนใครด้วยนะก็มีะนะเพราะว่าความสามารถไม่เหมือนกันไม่เท่ากัน เพราะนั้นจึงต้องบอกท่านผู้ฟังว่าถ้าใครพูดอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งใช่ไหมหฟังดูเหมือนเป็นคําของบุรุชาวแแฮดีละก็ทรงจําไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งก็ให้เอาไปตรวจสอบนะให้เอาไปตรวจสอบดูซิว่าเป็นคําบุรุชาจริงไหมถ้ามันเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้ก็ไม่ใช่ละ่นะคนนั้นจะมาผิดถ้าเข้ากันได้ลงกันได้ก็ให้จำเอาไว้คนนี้จะมาถูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามานําเสนอรายการเนี่ยให้ท่านผู้ฟังจำเอาไว้ นะจะมาไว้เสร็จแล้วไปตรวจสอบด้วยนะว่าอาตมาได้พูดถูกหรือเปล่านะแล้วก็ถ้าถูกไม่ถูกยังไงสงสัยเขียนมาถามนะโทรมาถามก็ได้ที่รายการก็ได้เรื่องคําถามนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคุณโยมติว๋วเพราะว่ า, วาตอนนั้นพระพุทธเจ้าก่อนปฏินิพพาน่ะก่อนปรินิพพานตอนนั้นใกล้สว่างแล้วน ะ, ะก็เรียกว่านอนสีญาสายญอยู่เราก็ถามภิกษุทั้งหลายบอกว่าอา้าว ใครยังสงสัยมีความเห็นแย้งมีความเคลือบแคลงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในมักในข้อปฏิบัติให้ถามเสียอย่าต้องมาเดือดร้อนใจว่าอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้ถามพูดอย่างนี้สา ร, รอบคุณยมติว3 ร, รอบว่าให้ถามเสียถ้ามีความสงสัยอะไรเพราะนั้นถ้าใครสามารถกําหนดบทเพียรชนะได้เป็นสิ่งที่ดีมากนะแล้วก็ ค, ควรทําด้วยถ้ากําหนดบทเพียรชนะไม่ได้อย่างน้อยอัตถาต้องถูก นะความหมายถูกอัฏถะ ถ, ถูกบทพยัญชนะสืบต่อเนื่องมากันถูกอันนี้ะจะเป็นความเจริญของธรรมวินัยนี้ได้เพราะฉะนั้นก็กาหนดบทพยัญชนะถูกได้ดีไม่ได้เอาอัฏถนะแต่ถ้าอัฏถะไม่ได้นี่คุณต้องไปเรียนเพิ่มเติมนะสงสัยให้เขียนมาถามค่ะ <c oughs> ถ้าจากงคับแต่ว่าการที่จะเรียนรู้แต่คาสอนในลักษณะของนักศึกษาเนี่ย จำเป็นไหมคะถ้าเรียนเก่งมากๆจริงเรียนเยอะจริงไม่ต้องปฏิบัติเลยอันนี้จะเป็นปริยะที่เป็นงูพิษไงผู้เร้าก็เคยเตือนเอาไว้คืองูพิษตรงนี้เรามาพูดถึงเรื่องนี้ก็ดีเหมือนกันคุณโยมติวเพราะว่าบางคนเนี่ยศึกษาพุทธวจนะรู้บทเพียญชนะกำหนดบทเพียญชนะได้แต่ว่าจ้องเพื่อที่ใช้ข้อมูลนี้ในการหาข้อผิดของคนอื่น มีนะผ<ช>ู้บัญชาพูดไปชัดเจนว่าเป็นกรณีของปริยัตที่เป็นงูพิษตัวเองจะไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เรียนเลยแต่เปรียบเสมือนกับคนที่จะต้องการงูจะไปจับงูอย่างเงี้ยเจองูแล้วทําไงบนี่รีบคว้ามันเลยที่ตัวหรือที่หางโดยไม่ดูให้ดีเสียก่อนงูนี่ก็จะมาฉกเราทันทีคนนั้นก็จะตายแต่ถ้าเมื่อไร่มีคนหนึ่งก็ต้องการงูนะเขาไปหางูในป่าใช่ไหมเจองูเสร็จปุ๊บเขาเอาอันี้เอา เอาไม้ก็เรียกว่าไม้เท้าอันหนึ่งอะนะที่มีหัวเหมือนกับด้ามมีหัวเหมือนกับเท้าเท้าแพะนะกดงูที่ตัวกดเสร็จแล้วก็ใช้จังหวะจับมันที่หัวนะถึงแม้งมูตัวนั้นจะพันตัวเต็มที่เลยนะแต่เขาก็ไม่ถูกฉกตายนะเหมือนกันคนที่กำหนดเป็นผูงชนะได้นะแต่จะเอาความรู้นี้ไปหาข้อผิดในของคนอื่นเนี่ยก็จะเหมือนกับ พวกที่ไปจับงูแต่ตัวแ ต, แต่ถ้าเรารู้ธรรมะแลวเราก็ปฏิบัติ ด, ด้วยนะเอาธรรมะเข้ามาอยู่ในใจเนี่ยก็จะเหมือนคนที่เอาเท้าแพะ เ, เอาไม้ที่มีเหมือนเท้าแพะเนี่ยไปกดตัวก่อนแล้วก็จับหัว ค, คือการรู้ตรงนี้อาจจะต้องมีคนมาถามสอบถามนั่นนี่นะเพื่อจะบรรเทาความสงสัยมันจะเป็นเรื่องมากวนใจเราใช่ั้ยก็เหมือนกับงูเอามาพันตัวแต่ว่าเราจะไม่ถูกกัด เราจะสบายใจอยู่เนื่องจากว่าประโยชน์ของธรรมะเราได้รับแล้วเหมือนกันอย่างงี้น ะ, ะอันนี้ก็เป็นแง่มุมที่น่าสนใจใช่ค่ะทีนี้มาถึงพุทธประวัติต่อได้หรื อ, อยังคะได้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งคือพูดถึงตอนที่พระเจ้าเนี่ยพรหมนะพระกรพรมพระกาพรอมเนี่ยเป็นผู้ที่มีทิฐิที่ไม่ถูกต้อง เห็นว่าโลกเที่ยงฉันเป็นคนสร้างโลกนะฉันเป็นคนเที่ยงพระสมณโคโดมนี่เที่ยวไปสอนคนอื่นผิดๆบอกว่าไม่มีสิ่งใดไม่เที่ยงก็ตัวฉันนี่แหละเป็นคนเป็นผู้เที่ยงว่าอย่างนั้นนก็เลยมาโต้กันนะมีใช้กลยุทธ์ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการนะทดสอบเดินอิทลิศนะทั้งลูกล่อลูกชนการสอบถามปัญหาแล้วก็ยังมีมารมาร่วมวงด้วยนะตรงนี้ ซึ่งก็สรุปว่าสามารถที่จะแก้มิจฉาทิฐิของประกาศพรมอมได้แล้วก็ทําให้มารเนี่ยไปเขาเรียกว่าจ่อยไปเลยวางกันเถอะซึ่งพระสูตรนี้คิดว่าเป็นพระสูตรที่สําคัญ<ม>แล้วก็น่าจะมาคุยกันสักตอนหนึ่งเลยในายรายละเอียดว่าของผู้ชาพูดอะไรประกาศรมอมแก้ว่าอย่างไงแล้วมารมาช่วยยังไงไปเล่นซ่อนหาอยท่าไหนใช้ฤทธิ์กันยังไงบ้างอย่างเงี้ยนะ เวลาเรียกที่สําคัญอาจจะใช้สักตอนหนึ่งในการที่ะจะพูดถึงเรื่องนี้ในในตอน ต, อต่อไปหรอกเนาะค่ ะ, ค ะ, ะเรื่องอ น, นิมนต์ท่านสักวันหนึ่ง น, นะคะใช่ใช่<ะ>อันนี้เราจะพูดถึงเมื่อตอนที่พูดถึงพุทธประวัติจบแล้วดีกว่ า, า จ, จะยกขึ้นเรื่องนี้มันเป็นไฮไลไท์สักตอนหนึ่งน ะ, ะอีกประการหนึ่งในความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นผู้ที่มีฌานแน่วแน่ชนิดพิเศษเลยคือตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้า อยู่กําลังอ า, าพาธอยู่นะจะไปเมืองกุสินาราใกล้จะประินิพานละนี่เราจะยังไม่พูดถึงตามปรินิพานนะก็มีมอีอุบาสกคนหนึ่งชื่อปุกุสะนะมาหาแล้วก็พูดถึงยกย่องความดีของ เ, อเขาเรียกการากาละมโคดเขาเรียกว่าอะไรอาระอา ร, อารกาละมโคดผู้ที่เคยเป็นอาจารย์ของบุพช่าคนหนึ่งนะตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็มาพูดถึงความสามารถของ อารดาบด์กลามโคดเนี่ยบอกโอ้โหนี่อารดาบดนี่นะมีสมาธิดีมากนะนั่งสมาธิอยู่ที่หนึ่งเกวียนแล่นแปผ่านไปห้าร้อยเล่มเนี่ยไม่รู้สึกเลยคือไม่รู้สึกเสะเทือนไม่รู้ด้วยว่าเกวียนแล่นผ่านไปเนี่ยมีสมาธิแน่ๆถึงขนาดนี้พระพุทธเจ้าก็เลยพูดถึงตัวพระองค์เองบ้างนะตอนนั้นบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนั่งสมาธิอยู่ในโรงกระเดื่องนี่ยคือโรงที่เขาตำข้าวนะ ตอนนั้นฝนตกอยู่ <c oughs> ก็เลยอาศัยหลบอยู่ในโรงกระเดื่องแล้วก็สายฟ้าแลบคนองเต็มที่เลย <c oughs> ก็ปรากฏว่ามีฟ้าผ่าในะลงในที่ไม่ไกลจากโรงกระเดื่องนะักถูกชาวนาสองคน2พี่น้องแล้วก็วัวลากเข็นนะวัวเขาเรียกว่าวัวอสุพะเป็นวัวที่กำลังแข็งแรงมากนะเป็นวัวที่ใช้งาน <c oughs> สี่ตัวนะพี่น้องสองคนกับวัวสี่ตัวตายนะในที่นั้นฟ้าผ่านะ ปรากฏ ว, ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่รู้สึกตัวนะไม่ได้หลับด้วยคนหลับ <patter> มันก็ต้องตื่นล่ะฟ้าผ่าดังขนาดนี้แต่ <était> แตพระพุทธเจ้าอยู่ในสมาธิไม่ไม่รู้เรื่องเลยนะปรากฏ ว, ว่าพอฝนซาแล้วเนี่ยก็ออกมาเดินจงกรมอยู่ข้างๆนอกโกรงกระเดื่องนะชาวบ้านก็ต่างออกมาลุมฮือมาดูในที่นั้นเลยบอกโอ้โหนี่วัว4ีตัวตายนะพี่น้องสองคนถูกฟ้าผ่าปรากฏว่ามีบุรุษผู้ห<ส>น <ham> ึ<ส ham>่งนะ เห็นพระพุทธเาเดินอยู่ในที่แถวนั้นก็เลยเข้ามาถามว่านี่ท่านผู้เจริญเห็นหรู้ไหมว่าฟ้าผานี่แล้วก็วัวตายสี่ตัวพี่น้องตายสองคนพุทธเ้าบอกไม่รู้เรื่องนะแต่ว่ายังมีสติรู้ตัวอยู่ไม่หลับนะก็เลยพูดถึงความามีจิตแน่วแน่ในฌานขนาดนีนะ้ของพระองค์ว่าเหนือกว่าของอรดาบทกรมโคต <Okay. S 1> อีกอย่างี้นะ นี่คือเรื่องของพุทธประวัติค่ะสำหรับวันนี้ใช่ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของอริยสัจสี่่อริยสัจสีที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือการทำสมถาวิปัสสนา ค, นะคือคนที่จะไปถึงอริยมรรคจะไปถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ได้เนี่ยคุณจะตัดตัณหาได้เนี่ยนะคุณจะต้องเจริญสมถาวิปัสสนาไป คูู่กันไปพร้อมๆกันนะเพราะว่าสมถะที่เจริญแล้วเนี่ยจะทําให้จิตเนี่ยมีกําลังพอจิตมีกําลังแล้วเนี่ยก็จะละราคาได้นะแล้วส่วนวิปัสสนาทําให้เจริญแล้วเนี่ยปัญญาก็จะเจริญปัญญาเจริญแล้วเนี่ยก็จะเหมือนเป็นมีดนะตัดอวิชชาได้ในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเจริญสมถะวิปัสสนาแล้วเนี่ย พรุทธเจบอกว่าจะทําให้เป็นไปเพื่อการแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนกธาตุเป็นอเนกในที่นี้หมายถึงว่าทุกๆอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอิทธิวิธีการาหายตัวเหาะตัวรู้ใจคนอะไรต่างๆก็จะรู้ได้รวมถึงเรื่องอสวกขยายานที่เราพูดถึงเมื่อวานนี้ด้วยในการที่จะเป็นให้รู้ถึงการสิ้นไปแห่งอสวะได้ค ในข้อนี้พระเจ้ายัางพูดถึงการเห็นเรื่องของขันตั้ง5ด้วยว่าคนเราเนี่ยควรจะเห็นขันตั้ง5้าเนี่ยในลักษณะไหนถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่หลุดพ้นไปจากทุกได้ทําให้ตัณหาหลุดไปได้นะก็ต้องเป็นผู้ที่ยุบไม่ให้กานะน่ะคว้างทิ้งไม่ถือเอานะ่ะทำให้กระจัดกระจายไม่ทําให้เป็นกองนะ่ะทำให้หมอดไม่ทําให้ลุกโผล่ ซึ่งขันทั้งห้านะคือคว่างทิ้งไปไม่เอาอะ่ะขันทั้งห้านะแล้ว <Okay. S 1> อย่าเอามามันมากรองรวมกันทําให้มันกระจัด ก, กระจายไปนะถึงขันทั้ง5้าอย่างนี้จะชื่อว่าเป็นผู้ที่ทําให้ปล่อยวางขันห้าได้ <Okay. S 1> ส่วนสําหรับพระอาหารต์เราเป็นยังไงสมมติคนที่เขาบรรลุจนไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะหมดตัณหาแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ต้องให้ทําให้เป็นกองไม่ต้องทําให้กระจัด ก, กระจาย คือไม่ต้องทําอะไรเพราะว่าปล่อวางแล้วใช่ไหมไม่ต้องทําให้ไม่ต้องคว้างทิ้งแล้วก็ไม่ถือเอาด้วยนะคือไม่เอาอะไรเลยลักษณะนี้อืมค่ะก็ทําความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นสําหรับในสิ่งที่คุณธงศร์อีกประการหนึ่งนะในเรื่องของความดับไม่เดือของทุกก็คิดว่าใกล้จะจบแล้วเหมือนกันตอนนี้นะยังพูดถึงเรื่องของความตัดอกุศลละมูล นะคือตัดราคะโลภโทสะโมหะเนี่ยถ้าใครมีโลภโทสะโมหะออกไปได้ก็ชื่อว่านิพพานได้เหมือนกันซึ่งเราพูดถึงเมื่อตอนก่อนนู้นคือเรื่องของ เ, ออเหตุของทุกข์ใช่ไหมคือตัณหาใช่ไหมเรายังพูดถึงกิเลสสังโยชน์อสุวะอะไรพวกนี้นะตอนนี้เราก็พูดถึงตัณหาไปบางส่วนลว้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราคะโทสะโมหะเหมือนกันใครละราคาโทสะโมหะได้ ก็ชื่อว่านิพพานได้เหมือนกันก็คือความที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะอันนี้พระุทธเจ้าเปรียบเทียบไปดีมากเลยเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งจะเป็นต้นสาละต้นศักหรือต้นอะไรก็ได้นะถูกเถาวันนะอยู่สามชนิดขึ้นปกคลุมแล้วรึงรัดอยู่เนี่ยนะก็จะโตไปไม่ได้ก็จะมีปัญหาต้นไม้จะถูกดูดกินสารอาหารอะไรต่าง แต่ถ้าเปลว่ามีคนเห็นประโยชน์ในต้นไม้นั้นเนี่ยเอามีดมนตัดที่โคนของเฉพาะไอ้เจ้าเถาวัลย์สาชนิดนี้นะนุณยมติวตัดที่โคนแล้วนะยังขุดเอารากของมันออกไปด้วยขุดเอารากมันจนเหลือเท่าหญ้าแฝกนิดเดียวนะอยู่ในดินเสร็จแล้วก็เอาเอาซากไม้ทั้งหมดที่ขุดออกมาเนี่ยรากมันด้วยต้นมันด้วยเนี่ยเอามาตัดให้เป็นท่อนใหญ่ ท่อนน้อยท่อนใหญ่แต่แล้ก็ผ่าผ่าแล้วก็ทําให้เป็นซี่ๆทาให้เป็นซี่ๆแล้วก็ผึ่งให้แห้งในลมและแดดผึ่งให้แห้งในลมและแดดแล้วก็เอามาบดบดให้เป็นผงเป็นผงเสร็จแล้วก็เผาไฟเผาไฟแล้วก็ทําให้เป็นขี้เท่าในะขี้เท่าเสร็จแล้วก็โรยไปในน้ําหรือปล่อยให้เป็นลมในพัดจัดนะต้นไม้ใหญ่นั้นน่ะก็จะปลอดภัยไม่มีเถาวัลย์ขึ้นมากวนอีกอย่างนี้เหมือนกันอืมนะคะวันนี้ก็คื อ, อพูดถึงเรื่องความ ต้องตัดกิเลส ด, ด้วยอย่างนี้แหละค่ะแต่ดิฉันเนี่ยสนใจในสิ่งที่พูดอยู่ตรงกลางๆที่พระพุทธองค์ได้ตรัส ถ, ถึงผลของการเจริญสมถะกับวิปัสสนาเพราะว่าการที่เราให้ปฏิบัติกันในช่วงต้นของรายการเนี่ยก็ถือว่าเป็นการนำเข้าสู่สมถะที่จะเป็นวิปัสสนาด้วยต่อไปถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องทีนี้เมื่อกี้ท่านพูดบอกว่าให้อะไรนะคะไม่มีราคะโทสะโมหะเนี่ย เป็นทาไปสู่นิพพานได้เหมือนนกัเท่ากับว่าถ้าฝึกปฏิบัติอย่างนั้นไปเรื่อยๆมันจะละราคะเหรอคะสำหรับสมถะคะสมถ<จ>ะที่ฝึกแล้วก็จะละราคาได้ใช่เอเคค่ะแล้วมันจะกลมกลืนกันอยู่ในส่วนของวิปัสสนาไหมคะหรือว่าต้องขึ้นบันไดไปอีกขั้นคือราคากะกับโทสะนี่มาด้วยกันแน่เพราะว่าถ้าเรามาชอบอะไรเราก็ต้อ ง, เ ร, องเราก็ต้องมีเกลียดอะไรด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นราคากับโทสะจะมาด้วยกันส่วนอวิชชาเนี่ยเป็นพิษนะต้องถอนออกด้วยวิปัสสนา ก็การเริ่มต้นด้วยการนั่งแบบในตอนต้นรายการก็จะพาไปสู่วิปัสนาในที่สุดด้วยคือไปพร้อมๆกันอยู่แล้วถูกต้องถูกต้องไปพร้อมๆกันอยู่แล้วจะได้ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยมีความรู้สึกแม้มีค่าเหลือเกินที่รายการนี้ได้จัดช่วงเวลาให้ท่านปฏิบัติกันทางอากาศไปพร้อมๆกันเนี่ยค่ะนะคะวันนี้ก็นมรรคการของพระคุณท่านเปิ่นบูลนะคะท่านเปิ่นบูลเสาร์อาทิตย์ต้องไปที่วิทยุประเทศไทยเช่นเคยถูกไหมคะใช่ใ่นะคะติดตามรับฟังกันเพราะว่าท่านเปิ่นบูลท่านก็ มันมีเวลาไหนที่ใครจะสรรให้เพื่อเผยแผ่ก็ได้ทําเต็มที่นะคะวันนี้นมัสการขอบพระคุณอีกครั้งค่ะค่ะเท่านัง้นที่พึ่ค่ะแล้วนั่นก็เป็นช่วงเวลาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะนะคะเป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวเรื่องของอริยสัจสี่ประกอบกับพุทธประวัติที่พระพุทธองค์เล่าเองทําให้เราได้ทราบหลายแง่หลายมุมนะคะชีวิตความเป็นอยู่ของประศาสดาของเราทําต่างๆที่ทรงตรัสเอาไว้ในช่วงของการที่เล่าเรื่องพุทธวจนะ ติดตามรับฟังรายการเราต้องวันจันทร์แล้วค่ะคราวนี้เพราะว่าเรามีหยุด2ออาทิตย์นะคะยกเว้นท่านเภบูรณ์นี่แหละที่ท่านมีรายการของท่านต่างหาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเวลาเดียวกันเลยนะคะส่วนท่านมาร์ตเองเสองอาทิตย์ท่านก็จะมีกิจที่จะติดตามพระอาจารย์ครุฑปิ์ไปสแสดงธรรมรวมถึงการสแสดงธรรมที่วานาปะภงลำลูุกาคลองศิงด้วยส่วนดิฉันเองเนี่ยก็จะมาพบท่านพร้อมๆกับพระภิกษุทุกรูป ในวันจันทร์ค่ะจันทร์ถึงศุะตี5วันนี้ขอให้ใคร่ครวรทำการท่านที่อยากจะถามคำถามก็ขอให้ถามมากันที่ถ่าของท่านไปบุญก็ต้องเทวธรรมะคอมสน่นะคะส่วนของที่สถานีครอบครัวข่าวฝากเอาไว้ได้ที่0 2 2 6 9 0 0งสเป็นเบอร์เดียวกันกันกบ ท่านที่โทรศัพท์มาเร็วสามท่านแรกของแต่ละวันก็จะได้หนังสือพุทธวัจนะที่ท่านอาจารย์คึกคลิปสดที่หลมอบให้ไปค่ะวันนี้เราลาไปนดี๋ยวพที่นี่ก่อนนะคะพบกันใ่สัปดาห์หน้าพุทธวัตสวัสดีค่ะ